วันนี้เป็นวันสำคัญนะสำหรับหลายคนเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่ได้ทำงานพ้นจากวันนี้ไปนะก็เรียกว่ากเกษียณละนะโดยเพราะคนที่เป็นข้าราชการหลายคนซึ่งมีอายุครบ6กนะในปีนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะเพราะว่านั้แต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยแม้จะเป็นวันธรรมดาจานถึงสุกตื่นเช้าขึ้นมาแนละ้วก็ ไม่ต้องรีบแต่งตัวกิววนข้าวไปทำงานถึงอยากจะไปทำงานก็ไม่มีที่ทางให้ทำนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็มาทำแทนไปและก็เรียก<เรา>ว่ามีเวลาว่างนะทั้งวันเลยซึ่งสำหรับหลายคนนี่จะรู้สึกว่ามันว่างเกินไปนะยิ่งบางคนเนี่ยนะมีตำแหน่งสู ง, สง <voix> เป็นประหลัดกระทรวงบ้างเป็นอธิบดีบ้างหรือว่าเป็นผู้อำนวยการบ้างพ้นจากวันนี้ไปก็กลายเป็นคนธรรมดารวมทั้งบางคนนี่วันนี้เป็นผู้ว่าพอถึงพรุ่งนี้ก็กลายเป็นคนธรรมดาไปซะละถากว่าอายุครบหกสิบเนี่ยตำแหน่งสูงๆที่เคยมีก็หลุดหายไป อำนาจที่เคยมีกับตำแหน่งก็หมดไปบริษัทบริวารที่เคยมีห้อมร้อมนะก็หายหัวไปหมดนะเพราะว่าไม่มีอำนาจนะจะบังคับบัญชาเขาได้ละแล้วก็ไม่มีตำแหน่งด้วยทุกคนที่เคยมาพี่นอพี่เทาเพราะเราสามารถให้คุณให้โทษเขาได้นะ เาก็หายไปหมดนะก็เรียกว่าหลุดลอยไปทั้งตำแหน่งนะทั้งหน้าที่ทั้งอำนาจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงขาลงก็ว่าได้นะมันเป็นนิมิตหมายนะพอถึงวันกเกษียณนี่มันก็เป็นนิมิตหมายหรือหมุดหมายว่าชีวิตนี่เข้าสู่ช่วงขาลงแล้วจริงสำหรับคนอนาะยุหกสิบนี่นะ ชีวิตมันเข้าสู่ขาลงมาได้หลายปีแล้วเพราะว่ากำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงนะความคิดความอ่านที่เคยเรวดเร็วฉับไวมันก็เฉื่อยชาลงนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับเมื่อถึงวันที่ต้องเกษตอายุนะเรียกว่าชีวิตขาลงมันก็ชัดเจนบางคนแม้จะไม่มีตำแหน่งหน้าที่สูงๆนะแต่ว่าการที่เกษณอายุเมื่อถึงอายุครบสก็แสดงว่า ก็ลังวังชาเราลดน้อยถอยลงแล้วสติปัญญาเราก็ไม่เฉียบคมเหมือนเมื่อก่อนประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงเขาก็เลยให้พักซะเลยนะคือกเกษียณให้คนที่หนุ่มกว่าสาวกว่ามีอยยุน้อยกว่ามาทำแทนอันนี้มันก็เป็นเครื่องบอกนะถึงการที่ชีวิตนี้เข้าสู่ช่วงขาลงอย่างชัดเจน แต่ว่ามันก็เป็นชีวิตขาลงในทางโลกนะมันเป็นชีวิตขาลงในทางโลกไม่ว่าจะเป็นเพราะความแก่ชารากำลังวังชาลดน้อยถอยลงหรือเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่หมดไปไม่มีบริษัทบริวาณพวกนี้เป็นเรื่องทางโลกทั้งนั้นหละจะเรียกว่าเป็นขาลงในทางยศซับก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่า จะเป็นขาลงในทางธรรมหรือขาลงในทางจิตใจนะขาลงในทางโลกนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็อย่าให้มันจิตใจลงไปด้วยนะถึงแม้ว่าชีวิตจะเข้าสู่ช่วงขาลงนะแต่ว่าเราก็สามารถทําให้จิตใจมันเนี่ยมันค่อยๆขึ้นสูงได้เรียกว่า ชีวิตขาขึ้นในทางทำหรือในทางจิตใจนี่มันทำได้นะนนเช่นในเมื่อกเกษียณแล้วมีเวลาว่างอันนี้ก็ว่างจากงานงานหลวงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะหางานอื่นมาทำก็ได้ที่มีประโยชน์ บางคนอาจจคิดว่าโอ๊ยกเกษียณแล้วดีนะจะได้เที่ยวจะได้พักผ่อนจะได้สนุกสนานจะได้อยู่บ้านทั้งวันก็ทำแค่สักพักนะมันจะเริ่มเบื่อแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่มีคุณค่าซะละนะไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยอยู่ไปบางวันดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือหรือไปกินอาหารอร่อยๆ ไปเที่ยวต่างประเทศนะถ้าหากเที่ยวได้นะเพราะว่าโควิดตอนนี้ยังเที่ยวไม่ได้แต่ก็จะรู้สึกว่ามันชีวิตมันน่าเบื่อแต่ถ้าหากว่าได้ทำอะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่านี่มันช่วยเติมนะความสดชื่นให้กับจิตใจนะแล้วทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งหรือว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าเดิมก็ได้มีบางคนเนี่ยพอกเกียนเนีย นะจากงานธนาคารชิ้นแรกก็ดีใจนะได้พักแต่ว่าพอพักไปนานๆแม้ว่าจะมีหนังดูนะมีอาหารอร่อยๆกินแต่ว่ามันเริ่มเบื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามองว่าตัวเองกลายเป็นขยะนะ ทั้งทั้งที่ก็มีเงินมีทองนะแต่ไม่มีอะไรทําแต่พอได้ไปเป็นจิตอาสาไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีผลตอบแทนแถมไม่มีตำแหน่งสูงๆไม่มีบริษัทบริวารแต่มีความสุขนะได้ทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าช่วยเหลือโลกให้มันมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นบางคนก็ไปเป็นจิตอาสาช่วยสถานีแยกขยะโอ้แม้จะเหนื่อยนะไม่เหมือนงานธนาคารนี่สบายอยู่ในห้องแอร์แต่นี่มาเป็นจิตอาสาทำงานในโกดังแต่ว่าสุขใจนะมีบางคนที่บอกว่าเนี่ย ผมเนี่ยคือขยะคืนชีพนะขยะคืนชีพก็คือว่าก่อนที่จะมาทำงานเป็นจิตอาสานี่มันรู้สึกว่าเล็ไร้คุณค่าเหมือนขยะไม่มีคุณค่าแต่ว่าได้มาทำสิ่งดีที่มีประโยชน์แล้วโอ้มันมีคุณค่าขึ้นมากลายเป็นเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่นะเรียกว่าขยะคืนชีพอันนี้ก็เรียกว่าขาลงในทางโลกนะแต่ว่าขาขึ้นในทางจิตใจและตอนหลังก็ได้พบ สิ่งดีๆมากมายหลายอย่างที่มีประโยชน์ทำแล้วมีความสุขสุขกว่าสมัยทำงานธนาคารเป็นผู้จัดการหรือว่าสุขกว่าตอนเป็นข้าราชการมีตำแหน่งสูงๆเนี่ซ้าหรือบางคนนี่ก็ใช้เวลาที่กเกษียณแล้วนี่มาปฏิบัติธรรมได้พบกับความสุขความสงบเย็นในจิตใจไม่รู้สึกว่าชีวิตนี่มันว่างเปล่า จิตใจก็สงบเย็นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะตอนทํางานราชการตอนทํางานบริษัทโอ้ยตำแหน่งสูงมีเงินเยอะแต่ว่าจิตใจว้าวุ่นรุ่มร้อนแต่พอได้มาปฏิบัติทำหลังกเกษียณโอ้จิตใจสงบมีความสุขที่เคยทุกข์เพราะว่าหมดตาแหน่งหมดอานาจหมดหน้าที่นี่เปลี่ยนไปเลยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นขอบคุณนะ ที่ได้มีโอกาสกเกษียณเพื่อที่ได้มาพบคุณค่าทางจิตใจอันนี้เรียกว่าแม้ว่าชีวิตเนี่ยจะเข้าสู่ขาลงในทางโลกนะแต่ว่ามันสามารถจะผลักให้ชีวิตนี้เข้าสู่ขาขึ้นในทางธรรมหรือในทางจิตใจได้อันนี้คือโอกาสดีแล้วแล้วควรใช้โอกาสนี้ทำสิ่งนี้ด้วยนะเพราะไม่งั้นนี่อาจจะไม่มีโอกาสเพราะว่า นะความตายมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าความพิกลพิการนะจะมาเยือนหรือจะมาคร่ำ ง, งำชีวิตจิตใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะรีบใชยโอกาสซนะอย่าเอาแต่จมอยู่กความทุกข์ที่ชีวิตเข้าสู่ขาลงหรือว่ามัวแต่สนุกสนานกับการท่องเที่ยวนะหรือว่าการหาความสุขหลังกเกษียณแบบโลกโลกนะ อันนั้นก็ดีอยู่นะมันก็มีประโยชน์ช่วยทําให้มีชีวิตชีวะขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็ทําได้ไม่นานหรอกถึงเวลาแก่ชาราชีวิตถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยมันก็หอยเหี่ยวแต่ว่าถ้าได้ฝึกจิตฝึกใจไว้นะเออมันก็อยู่กับความแก่ได้อย่างมีความสุขอยู่แม้กระทั่งความเจ็บป่วยได้อย่างปกติสุขร่างกายมันจะเสื่อมไปแต่ว่าจิตใจมันพัฒนาขึ้นได้